วันนี้ตามความประพติของชาวพุทธเราถือเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติแต่รู้และดับขันปกรณิพานในสามวันนั้นมาตรงกับวันเดินหยุดเกน วันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางนาฏนาจักยิงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทําความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับสามสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนะ เพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางประยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจมแจ้ ง, ก, งการประสูดของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับถามันเราทั้งหลายก็เียนว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่ง แต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในนันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอภิชานี่คือจิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้ เราสมมติเป็นครั้งที่สองนามา ร, รมเกิดภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็นนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้น ต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไข ให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้จัดสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระไทยัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิด ธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตรธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายเสียได้ในขณะที่ธรรมได้เกิดขึ้นในพาะไทยที่ให้นามว่าพระองค์ตรจสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับ เป็นนิวตตะจิตนิวัตตะธรรมนริยกว่าจัดสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งชินชัดในขณะนั้นแต่พ่อยางยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักทองเทียวเคยเป็นมากี่กับกี่กันทายพบทายชาติทายไม่หยุด ถ่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเชื่อถ่ายผ้าก็คอ ย, ยงั้ชัว่วไม่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความถ่ายภบถ่ายชาตินี่เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจริงเห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่เห็นโทษก่อนใครๆทั้งหมด ต่อมาก็สาวกที่รู้ตามพระองค์ท่านพอเห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายที่ซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันงานสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบร่าพากเหมือนคนเป็นผู้ความกัน ดังน้อยก็กอดทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงมขึ้นสารนี่คือความไม่รงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดี คือเห็นโทษทางความเกิดเห็นโทษทัางความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นถ้านอาสามันเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกัน ความจริงขณะที่เกิดนั่นฉลกสไหลจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึง่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นมาเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากจะ้เกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเยมว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกัน ผล ค, คือความทุกข์ยิงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตะก็ปรากฏภายในพระไทยงานได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้ จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบนรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันเปรนิพานนิพานก็คือธาตุขันนี้สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธินั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมุติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเรา ที่เต็มไปรัวที่เรลยอจึงต้องคาบหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธธรรมสังฆ ค, คือความมือสุดไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธทางธรรมังสัข ง, สงขังเสนังคาฉามที่เราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแสนะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นแ่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสําหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้งสามนี้หรือพระธรรมตรัยทั้งสามนี้ จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คําว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ เมื่อใจเข้าถึงความเบริสุดแล้วทรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่เบริสุดกับธรรมที่เบริสุดนั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมติว่าพุทโธธรมโมสร้างโภจาตินานาค้นตํิวัตถุโตอัญญะมัญญาวิโยขาและเอกีภู ต, ตัมปณรถต เมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นหนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้มีท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามี่จะเป็นสมมติโดยชัดเจน เมื่อสรุปลงแล้วกับเจกีภูตัมปนัฐโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิกับธรรมที่บริสุทธิ์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหลที่โลกทั้งหลายได้กราบไหวบูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้ เพราะม่ใช่วิสัยของเราจะรู้ได้อย่างนั้นนอกจากท่านผู้บริสุธดแล้วจะทราบวิสัยของตนและความเบิสุดของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ติดทราบความเบิกสุดของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุดของธรรม และทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตยอยู่ในฐานที่ใดหรือไม่สถิตยอยู่ในฐานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่ศูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นศักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริง ความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือแม้คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีตัว ม, มาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งตังหากความรูสุดแงทงธรรมและความรูสุดแทงใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะ มาลบล้างซึ่งกันละกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความเบ่สุดสิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญ น, นั้นเป็นสมมติอันนี้นไม่ใช่ธรรมาชาติอันนี้ง น, นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระทยและจริงในประกาศสอนโลกถึงสี่สิบห้าพระพันาสาเด็ดดับคันทับปรีภาน คำว่าเสด็จดับขันก็คือปล่อยวางธาตุขันอันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความมือฝึกก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นไม่มีส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาไปตามเรื่องของเขา ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นทาที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองวิชจะเป็นผู้สัมผัสรับรูบร้ไม่มีสิ่งใด จะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปด้วยวิธีการนำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนจิ เรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทําหน้าที่แก้กิเลส ข, ของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลํำดับเป็นเครื่องสนับสนุน จ, จิตใจตามธรรมนาของใจ ยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราปจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่ไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนกิจพระพุทธเจ้ากิจพระอราหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างปิษามันทนทั่วไปนอกจากนจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบุกช่องฐานจิต เพเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึ ทุกข์ก็ยึดทุกข์ก็ยึด ท, ท่านจึงได้สอนหลักทำไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ในหลักอันดียึดไว้เพื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อน เช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญจิตควรจะหนักแน่นในคําบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้โดยด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิ ด, เ, กดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทําไปตามจดิตนิสัยของตน นีเป็นหลักดำเนินเพื่อจิตติเลี้ยด้อาศัยและเป็นเครื่องเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำหนัก การภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการ อ, อ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปก ต, ติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผักดันออกมาให้คิด เรื่งนั้นตรงเรื่งนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครัง้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็เยาว่างานนี้ไม่มีวันเสาร์วอาทิตย์ไม่มีวันไหนไหนจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี่ทำอยู่ตลอดไป ททางกายก็เกี่ยวกับกจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับกจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไข ทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่ง น, น, น, นั้นไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองถ้าปล่อยวางก็เป็นไปไม่ได้นอกพิจารณาให้เข้าใจนั้นก็ปล่อยวางเองด้วยพิธีบริกรรมภาวนาในบทใดก็ นำคำริกรรมภาวนาบทนั้นเข้ามากำกับขับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรูผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปชั่วระยะระยะ และสร้างพื้นฐานคํามั่นคงให้แต่จิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณายุ่แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคําว่าถอนก็คือตัวเอง เป็นผู้สังสมเสี่ยนหนามให้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีเรียกว่าถอดถอนเมว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองจึงเป็นไวยพ์ของกันได้คือใช้แทนกันได้เรียกว่าถอดถอนก็ได้ จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ขอให้สิ่งที่เป็นมนทินแก่จิตใจหรือความทุกข์ร้อนภายในจิตใจให้ถอนตัวออกไปเท่านั้นพอพอแต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างผู้ปฏิบัติจึงมักท้อถอยกัน ไม่ได้คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก่อนจะทำความดีนั้นมากจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความสนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิต แล้วงานนั่นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำโดยความฝ่าฝืนหรือว่าโดยความไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเวลาอเวลา ลำบากทางการลำบากทางใจคิดถึงเวลาเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำพอไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทํางานนั้นๆันั่ น, น, นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนแคบ้างถึงเวลาทํางานก็แยน่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานาน อยู่ภายในใจคอยแนะนำรื้เที่ยมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อจะด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั่งเดิมทพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้ว รู้สึกเชื่อง่ายมีเป็นนิสัยของของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่าพิเรศทันว่นังคอยทำความขัดขวางกันก้นกลางเราอยู่เสมอ ผู้ที่จะพยายามดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทําการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืน เชื่อสินั่นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ต่างแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแยกมาแย่งออกไปัคงหมดต่อยแต่อุปสักขาดคขัดขวาง ที่จะไม่ทํานั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอการเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ํา ไม่กันกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสวาสนาอํานวยก็ยิ่งแล้ว ไม่มีเลยวันไหนจะเป็นโอกาสสําหรับเราจะได้ทำำําความดีวาสนาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนมีแต่วาสนาที่เกลียดวาสนาพอที่จะถทงหมอนก็หลับก็คอกวาสนานี่มันเด่นด้วยกันทุกคนเราก็เคยสร้างมาด้วยกันไม่มีใครจะตําหนิใครหน้าใครเก่งกว่าใครมันเท่ากันเห็วาสนาแบบนี้ อันนี้เป็นวาสนาของที่เลตันหาวิชาจะพาเราเที่ยวล่าโลกล่าสงสารล่าพบลาชากลาาความเกิดแก่เก็บตายไม่มีวันหยุดยังนี่เป็นวาสนาของวัตตะวาสนาของผู้จะ ก, ก้าวเข้าสู่วิวัตะคือพ้นจากทุกไปโดยลำดับลำดับนั้นต้องเป็นฆ่าศึกกันกับสุ่งนี้คือต้องรบกัน ต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิดด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลากกว่าเรามานมนานนี้เมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจ ภาในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะําไว้ในเงืองมือของเราได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของ ตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกลายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รบับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผล ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทันนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนไม่มีอะไรที่จะมีทางต้องติดได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมด อาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่คือกีวอนเครื่องนุ่งหม่มบินธมาตบอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนที่อยู่ที่อาศัยและยากแก้โรคภัยต่างๆนี่เกิดจากประชาชนคือศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราเราจรึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเว ล, เวลาไปเปล่าๆควรจะเร่งพินิจพิจรารณาตัวเราให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นและสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเอง คือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างคือความสงบใจล่ะท่านให้ชื่อว่าสมาธิอย่าอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อ ห, หาตัวจริงให้เจอ สัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนวัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเทียวบว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณา พิจณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆวิมตนะุตตนั่นร่องรอยที่จะกล้าเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไนี่เป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตตหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอย ร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พกปัญญาเราก็เจอวิมุตเราก็ประสบถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจครั้งพุทธการกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันทัดจะทำมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกทุกท่าน ไม่มีความบกพร่องคําว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมารรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์นิโรธคือความดับทุกข์จริงไม่มีไม่มีทางที่จะดับได้ถ้ามารรคือข้อปฏิบัติได้รับการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลําดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือ มาทุกนี่คือผลสมูทัยก็ได้แก่ความคิดตรุงของตัวเองที่เป็นปณนการสังสมกิเลสท่าเรียกว่าสมูทยัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื่องสิ่งความคิดที่ผิดท่านเรียกว่ามัจทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา นิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติสรุปความแล้วเรียกว่าสติปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยผู้ที่รู้ว่าทุก สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญาปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นแลคือผู้บริสุทธิ์ทุนี้ไม่ดับทุกดับไปผู้รู้ว่าทุกดับไปไม่ดับสมุทัยดับไปผู้รู้ว่าสมุทัยดับไปไม่ดับเครื่องดับทุกสมุทัยคือมรดกน่าแก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อ ทำหน้าที่ของตนเต็มที่โดยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกดับไปกิริยาแห่งทุกที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งถัดจากธรรมทั้งสีน่นี้ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสีนั้น เมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสีนั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมุติอยู่เมื่ออาการทั้งสีนี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความรู้สึกขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมุติทับเข้าไปว่าวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นก็ยังเป็นสมมุติ ธรรมชาติที่ถูกเรียบลอมุดนั้นจึงไม่ใช่สมมุตินั่นแลศาสด ร, ราคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรับไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตรถาคตหมายถึงธรรมชาตินี้นและธรรมชาตินี้นั้น มีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจใจก็มีอยู่กับเราทุกๆท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะทำระหน้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโรกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติให้พิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็น หลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกวแวกคอนแคลนและไม่โอูนเอ็นไปต่างๆหลักธรร ม, มนัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะเข้าถึงความมั่นคงทางเดินเัื่อเข้าสู่มรรคผลวิพานก็มีหลักธรร ม, มนัยนี้เท่านั้น ไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมิ น, นนี้พุจารณายึดไว้ให้เป็นหลักใจกลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอินหนาละอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์ อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นละ่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกเป็นของจริงต้องจริงรก็จะกลับใ จ, จทศชาติธรรมทั้งสี่เป็นของจริงก็เพราะใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญา ขณะนั่งเฟังเทศคือนั่งครนาจิตตั้งไว้กับตนเองคือรู้อยู่กับจิตธรรมะท่านจะเข้าไปสัมผัสที่นั่งเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายแต่เป็นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาก็ตามขณะฟังเทศนี้ เป็นภาพปฏิบัติยิ่งกว่าเราทำโดยลำพังตัวเองของเราเพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตคล้อยาตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปคิดก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมา หาเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามทิ้งใดที่มาสะดุดใจก็รู้แค่ครั้งหนึ่งรู้แค่ครั้งหนึ่งพักหนึ่งพั่งเป็นพักๆไปเนีย่ยที่ท่านรู้เห็นรู้ผลรู้อรรถรู้ธรรมจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจํานวนมากมายในขณะที่ฟังธรรม สมไย ท, ทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏทาก็เป็นทำอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแปกแตกต่างกันอยู่บ้างคำอ่านรู้มรรคผลหรือรู้ทานั้นคอยรู้ไปเทีเรยรเล็กและน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหนึ่ จากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายรงสายได้เป็นระยะระยะระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้ท่านเรียกวบรรลุธรรมพวกเราโดยมากับนบรรลุแต่ถึงไม่เป็นท่าอันไหนที่ท่านหมายบรรลุชอบสรรปบรรลุระ ว, วังตรงนี้ให้ดี ไม่แป่ไปมากกรุนาพิจนาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการทางที่เคยเรียนนะเบื้องตน้นอาจารย์ใหญ่พา้ทา้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบน่าจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามแลเราเชื่ออย่างสนิด ถอนะ ด, ด้วยถ้าพระพุทธเจ้ามาถอนก็นมายอมขึ้นสาวกตูบาจารย์มาถอนก็นมายอมขึนนม้นเพราะเคยเชื่อมาหนุมนานมันฝังใจคิดเพียง สงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วทาไมสงบไม่มีควาสมสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่มากแม้คอนเกรน ไม่คว้าอะไรง่ายๆกิจด้วย ม, มีหลักมีคว้าเอาคว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับมัมั บ, มบและโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้กิจได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบาย เอาทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจสบาสงบเย็นและจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพืเพ่อเทินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวานคืนปีเดือนก็เหมือนไม่มีมีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมันถนอม ความเพิ่มเตินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องสเสวยจนใจกับธรรมกายเป็นอันเดียวกันนั่นทา่านียแหละทำทั้งแท่งใจโดยสุดทั้งดวงหมดปัญหาโดยตัวการทั้งปวงไม่มีสิ่งไดที่สงสัยอยีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้น ั น, นี้แสดงทำกว่ารู้สึกเหนื่อยมันแสดงยากอู่มาขอเน้นจะคิดติเพียงเท่านี้